ขอเชิญฟังรายการพระธรรมตามพระไตรปิฎกบรรยายโดยพระอาจารย์สมบัตินันทโก แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้เป็นพระอาหารหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะผู้เสด็จไปดีแล้วผู้รู้แจ้งโลกผู้ฝึกสารถีที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าผู้เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้จำแนกแจกแ จ, กจงพระธรรมอันประเสริฐขอนอบน้อม แด่พระธรรมคํำสอนที่พระองค์ทรงคารพ บ, บูชาเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงปรากฏชัดได้ด้วยตัวเองขอนับน้อมแด่โมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดราคะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโทสะผู้ปฏิบัติเพื่อกําจัดโมหะตรัสรู้อริยสัจธรรมตามพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดายมทั้งหลาย ข้อความในมัชฌิมานิกายมูลปัญนาตวณปัฏสูตรเนี่ยเลข้อ230ร้อข้อสองร้อยาในพระสูตรนี้เนี่ยนะถ้าเราสังเกตสักนิดหนึ่งเนี่ยเป็นพระสูตรที่เหมาะกับคนที่เข้าใจคําสอนเป็นอย่างดีเข้าใจวิธีปฏิบัติธรรมเป็นอย่างดีว่าการปฏิบัติธรรมนั้นคืออะไรการเจริญกุศลธรรมนั้นคืออะไร การปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงธรรมะที่ตัวเองยังเข้าไม่ถึงเป็นอย่างไรเนี่ยนะการปฏิบัติเพื่อรู้แจ้งในคุณธรรมที่ตัวเองทำยังไม่ได้อย่างทําให้แจ้งนั้นคืออะไรก็แสดงว่ามีความเข้าใจในการกําหนดรู้ทุก์มีความเข้าใจในการวิธีการละสมุทัยทํำนิโรธให้แจ้งวิธีเจริญโพธิปักพิยธรรมคือเข้าใจแนวทางหนทางข้อปฏิบัติเข้าใจความเจริญเข้าใจความเสื่อมเป็นอย่างดี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 ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงวณปัตถะปริยายปริยายนี้แปลว่าเหตุ น, นะเหตุวณปัตถะก็คือประโยชน์ของการอยู่ในป่าว่าเหตุที่ควรจะได้รับประโยชน์จากการอยู่ในป่านั้นคืออะไรเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยเป็นสมัยที่เขาเข้าป่ากันเยอะนะเขาฟังธรรมจบเขาก็เข้าป่าเลย ซึ่งหรือไม่ก็เวลาจะเข้าพรรษาก็ไปสแสวงหาสถานที่สงบสงัดสถานสถานที่วิเวกที่ตัวเองจะไปอยู่แล้วปฏิบัติกรรมฐานอย่างที่ใจปรารถนาคือมีประความปรารถนาจะไปหาที่เงียบเงียบที่สงบสงบอยู่เพรา ะ, ะนั้นพระองค์ก็เลยแสดงถึงเหตุเพื่อให้ได้รับประโยชน์ของการอยู่ป่าอย่างเต็มที่ว่าไปอยู่ป่าแล้วได้รับประโยชน์นั้นเป็นอย่างไรไปแล้วได้อะไร ไปอยู่ในป่าไปอยู่ทําไมแต่ถ้าถามว่าอยู่ในบ้านกับอยู่ในป่าไหนดีกว่ากันบอกอยู่ป่าดีกว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้ไอ้การอยู่เนี่ยนะในพระศาสนาเนี่ยอยู่แล้วได้รับคุณธรรมเพิ่มเติมยิ่งขึ้นเจริญด้วยคุณสธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นจะต้องไปอยู่ทําอะไรไปอยู่แล้วเป็นอย่างไรเอาอะไรเป็นเครื่องวินิจฉัยสํารวจและตรวจสอบไม่อย่างนั้นนี่ก็อยู่ป่าเฉยๆอ่างั้นประศักดแต่ว่าหาที่เงียบๆเนี่ยนะ ไปอยู่ในป่าลึกเนี่ยนะตอนแรกมันก็ไปอยู่มีแต่โคนไม้หนักๆเข้าเอถ้ามีกระท่อมบัางก็น่าจะดีก็แสวงหาทํากระท่อมเอกระท่อมหลังเล็กไม่ค่อยโก้งั้นเอากุฏิหลังใหญ่เลยดีกว่าเอามีกุฏิแล้วเนี่ยมีโยมเข้ามาทําบุญบ้างทําศาราซะหน่อยอย่างเ้ยนะมันก็ค่อยๆแล้วก็สร้างวัดสร้างวัดแล้วป่าลึกงั้นใครจะไปดูแลเนี่ยนะก็สร้างหมดไปใหญ่โตเนี่ยนะมันก็เลยกลายเป็นว่าไปได้วัดวัดหนึ่งเนี่ยนะ นี่ไอ้วัดนี่อยู่ทําอะไรอย่นเงี้ยก็ไม่รู้จะอยู่ทําอะไรเหมือนกันสร้างไว้ให้จริงจกทุกแกมันอยู่เพงัน้นแหละนะว่าให้พระพุทธรูปที่ไม่มีใครเชิดเลยอยู่ว่านั้นผลประโยชน์ก็เลยได้น้อยเต็มทีแล้วก็ประโยชน์แห่งการบวชเข้ามาก็ไม่สําเร็จประโยชน์ไม่รู้ว่าบวชเข้ามาทําอะไรเอาไปเอามาสิ่งที่ไม่ใช่ทุระคือคันทะธุระวิปัสนาทุระเนี่ยนะทุระในการศึกษาและปฏิบัติตามคําสอนที่ถือว่าเป็นสุธุระสาคัญ เป็นเป้าหมายเป็นจุดมุ่งหมายแห่งการมาบวชก็กลับไม่ใช่เสียแล้วกลายไปว่าไปเป็นธุระอื่นเนี่ยนะธุระที่ไม่ใช่ธุระในคําสอนเป็นคนที่มาอุทิศตนเพื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียกว่าเจาะจองต่อพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายผู้อุทิศแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าก็คือโดยการเข้ามาบวชเป็นพระภิสูจน์เป็นต้นเอาเอาเข้าจริงๆแล้วไม่รู้อุทิศตัวให้แก่ใครไม่รู้ว่าเจ้านายของตนนี่คือใครตัวเองนี่เป็นทาสของใครในาย ผู้เป็นนายที่มีอิสระเหนือตนนี่คือใครเอาไปเอามาก็เลยเกรงใจคนพานไปหมดเลยไม่เคยเกรงใจพระพุทธเจ้ามันก็เลยมีเป้าหมายในการศึกษาและการปฏิบัติที่ผิดพลาดไปควรที่จะเจริญในพระศาสนาก็ไม่เจริญในศาสนาควรที่จะเจริญในศึก ข, ขาก็ไม่เจริญในศึก ข, ขาพันการอยู่ป่าก็เลยกลายเป็นว่าอยู่เพื่อลาบสักการะเป็นต้นซึ่งไม่ใช่เป้าหมายไม่ใช่มุ่งหมายในพระศาสนานั้นพระสูตร สูตรนี้เนี่ ย, น, ยนะเป็นสูตรที่พระพุทธเจ้าเตือนเตือนพระภิกษุว่ากําหนดจดจําจุดมุ่งหมายให้ดีเราไม่ได้บวชมาสแสวงหาป่าไม่ได้บวชมาเพื่อสแสวงหาปัจจัย4เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะต้องกําหนดจะต้องใส่ใจให้ดีว่าธุระของตนเนี่ยคืออะไรแล้วก็ผลพลอยได้หรือผลผลิตที่เกิดจากการศึกษาและการปฏิบัตินั้นคืออะไรเนี่ยจะต้องหมั่นสํารวจตรวจสอบไม่อย่างนั้นก็เหมือนกับว่าคนที่ค้าขายไม่เคยตรวจสอบบัญชีเลยเนี่ยนะ ถ้าถามว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะก็มีแต่เสียหายมีแต่ล่มจมอยู่แล้วละ่ะเพราะนั้นพระองค์บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเราจะแสดงวณปัตตเจริยาย์ปริยายเหตุของการอยู่ป่าหรือว่าเหตุที่เป็นประโยชน์ของการอยู่ป่าแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิสูุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจนี้ว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย พิกษุในพระธรรมวินัยนี้ย่อมเข้าไปอาศัยป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่ป่าชัดก็คือป่ารกนะนะถ้าพูดง่ายๆก็คือป่ารกอันนี้แปลว่าสถานที่ที่ดูแล้วสับป่ายะหมายก็ว่าเห็นแล้วชอบเลยว่างั้นเห็นแล้วน่าอยู่เช่นมีลมโชยยุงไม่กวนมากนะป่าไม่อับไม่รกไม่ชื้นเกินไปหรือไม่ไม่โปร่งจนเกินไปหาที่นั่งลําบาก แมะลงก่อกวนเป็นต้นมากมายอันนี้ไม่ใช่แสดงว่าป่าชัดแห่งใดแห่งหนึ่งที่ดูแล้วเหมาะสมและเป็นสปายะแปลว่าเป็นที่สบายนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินก็สบายนอนก็สบายปราศจากอันตรายเนี่ยนะทีนี้ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ป่าในลักษณะนี้แล้วเมื่อเธอเข้าไปอาศัยอยู่ในป่าชัดหรือว่าป่าที่รกเหล่านั้นอยู่สติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏเลยเนี่ยนะ ไปอยู่ทำอะไรไปอ ย, ยู่เพื่อเจริญสติปัฏฐานไปอ ย, ยู่เพื่อเจริญกายานุปัสนาสติปัฏฐานไปอยู่เพื่อเจริญเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานจิตานุปัสนาสติปัฏฐานธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานไปอยู่เจริญสติสัมโพชฌงไปอยู่เจริญสตินีสติภะละสัมมาสติคือคือไปอยู่เพื่อเจริญคุณธรรมแต่กลับตรงกันข้ามเอสติเนี่ยมันคืออะไรคะเนี่ยนะแล้วยงงี้ก็แย่แล้วละมัน พันไปดูว่าสติที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นไหมสติที่ปรารบกายโดยอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาเนี่ยสติเหล่านี้เจริญขึ้นไหมสติที่ปรารบเวทนาจิตธรรมเป็นต้นตั้งมั่นดีไหมนะกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน14บัพ่พะเจริญขึ้นไหมไม่ใช่ไปหาบางทีก็ไปหาป่าวิเหมือนเหมือนกับว่าเป็นคนที่ชุลมุนวุ่นวายมาตลอดเนี่ย น, นะ ก็เลยแหมไปหาที่เงียบๆไปเจอที่เงียบๆเนี่ยดีแท้ดีว่าเพางั้นก็เลยไปหาที่เงียบๆอยู่วันที่หนึ่งโอ้ดีจริงๆอ่ะนะชั่วโมงแรกนะสองชั่วโมงผ่านไปชักกร่อยไปเยอะแล้วสามชั่วโมงผ่านไปหนึ่งวันผ่านไปนี่มันเงาบอกไม่ถูกนะนี่ทำอะไรเขาเนี่ยนะวันหนึ่งผ่านไปก็เงียบกริบวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันหกวันเจ็ดปีหนึ่งสองปีผ่านไปเออไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะ บางองค์นี่เป็นอย่างนั้นเขาไปสร้างกุฏิไว้ลึกในป่าลึกห่างจากศาลาใหญ่เป็นกิโลกิโลเนี่ยนะเร mm ีย hmm. กว่าฉันเสร็จไม่ต้องเดินจงกรมมาเดินไปถึงกุฏิมันย่อยอาหารพอดีแหละมันก็มันไกลขนาดนั้นนะเสร็จแล้วถามว่าอะไรหนักหนัก้กากุฏิตรงนั้นมันก็ร้างเพราะไม่รู้ว่าอยู่ทําไมเนี่ยนะไอคนที่อยู่ก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยนะเพราะไม่ได้ไปเจริญสติไอที่คําว่าเจริญสตินี่ต้องศึกษาให้เข้าใจว่าสติคืออะไรคือสติ ในสติปัฏฐานสีอย่างน้อยที่สุดสติที่จะเจริญสติปัฏฐานสีได้ต้องมีสติระลึกถึงคำสอนก่อนว่าคำสอนแสดงไว้อย่างไรระลึกถึงคำสอนได้บ้างไหมเมื่อไปอยู่ณนะตรงนั้นเพราะการที่ไปอยู่ในที่เงียบเงบไม่ใช่ว่าไปอยู่จะได้ทำอะไรตามใจของตัวไม่ใช่แต่กลับไปว่าเมื่อไปอยู่ณนะที่ตรงนั้นจะได้ใส่ใจในคาสอนของพระพุทธเจ้าได้บ่อยขึ้นได้มากขึ้นที่คาสอนที่ยังไม่ปรากฏก็ ปรากฏขึ้นความเป็นจริงก็ค่อยๆปรากฏตามที่คำสอนแสดงแล้วก็ใส่ใจไปตามคาสอนปฏิบัติไปตามคำสอนว่าสติอันนี้ก็เป็นสติปัฏฐานนั่นเองนั้นคนที่จะเจริญสติปัฏฐานได้นิวรณ์ต้องไม่กลุ่มรวมต้องรู้วิธีขจัดนิวรณนนั้นเป็นอย่างไรทีนี้ขณะเดียวกันเองจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่น สติที่ปรารบคำสอนใส่ใจในคำสอนปฏิบัติตามคำสอนที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏใจที่เคยฟุ้งซ่านตรงกันข้ามมันกลับฟุ้งกว่าเดิมไม่ได้ช่วยอะไรเลยอันนี้ข้อแรกก็คือบอกสติที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดไอสมาธิที่ยังไม่ไม่ตั้งมั่นเนี่ยนะมันก็ไม่ตั้งมัน่นก่อนขามาเป็นอย่างไรตอนอยู่ก็เป็นอย่างนั้นถ้าจะเดินจากไปที่ตรงนี้ไม่ต่างกันเลย ฟุงงซ้านตามเดิมกำลังั้นฟุ้งซ่านตามเดิมผวาเหมือนเดิมหวาระแวงเหมือนเดิมเนี่ยนะเรียกว่าเป็นโรคตื่นตูมตามเดิมเนี่ยถ้าอย่างนี้แนละ้วเป็นยังไงอาสะวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นไปกา ม, มาสะวะก็เหมือนเดิมทิพฐาสะวะรวาสะวะอวิชาสะวะก็กลุ่มรุมคงเดิม และภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมะอันปลอดโปร่งจากโยคะอย่างสูงที่ยังไม่บรรลุด้วยคุณธรรมชั้นสูงที่ควรจะเกิดเช่นสมถะวิปัสนาอภิญญามรรคผลตลอดจนถึงอรหัตผลเป็นต้นควรจะได้รับประโยชน์แห่งการบวชเหล่านี้กลับไม่ได้อะไรเลยและก็ที่สำคัญปัจจัยสี่เครื่องอุดหนุนชีวิตคือจีวณบินทบาทเสนาสนะและขีลานะปัจจัยเภสัชบริหารเหล่าใด ที่บรรพชิตจำจำต้องนํามาบริโภคปัจจัยเหล่านั้นก็เกิดขึ้นได้โดยยากบางแห่งเนี่มเป็นอย่างนั้นจริงๆมันเป็นถิ่นธุร ก, กันดารขนาดที่เรียกว่าหาผ้าจะมามานุ่งยังหายากหนาว น, าว น, าวนี่หาผ้าจะมาหม่มก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาหม่มเนี่ยนะแล้วก็บางทีเนี่ยไม่ว่าชื้นอีกตัางหากผ้าที่ซักแล้วก็ยากแล้วมันก็ตกหนาวแล้วว่าขึ้นรานะ่ยนะ ผ้าก็กลายเป็นผ้าที่ขึ้นราบิบนทบาทนี่ก็กลายเดินสักไกลกว่าจะได้อาหารมาได้อาหารมาดีไม่ดีก็ไม่พอฉันทีนี้ไม่พอฉันทำยังไงบางรูปยอมเสียศีลเลยทำอาหารปรุงอาหารเองหมดอะไรเองหมดทำกับข้าวกับปลาฉันเองก็กลายเป็นว่าไม่เป็นไปตามธรรมวินัยและศีลก็รักษาไม่ได้ที่อยู่ที่อาศัยและังะนี้ห น, นักเขาก็ไปโค่นไม้ทาลายป่าเจ้าหน้าที่ปา่าไม้ก็จับศึกเอาอย่างนี ก็มีศึกอยู่เรื่อยๆเนี่นะก็เพราะว่าไปโค่นต้นไม้ในป่าเขาเจ้าหน้าที่เขาไปจับเอาเพราะอะไรเพราะว่าไปตัดไม้ทําลายปา่าเขเพราะว่าอยากจะสร้างศาลาสร้างคุติสร้างอะไรนี่แหละแล้วก็ยาก็หายากอ่ะนะหาหยกหายายากไข้มาลาเรียก็ชุกชุมบางองค์ไหมอยากจะทุดดงเข้าไปในป่าลึกไปแล้วก็ไปติดเชื้อเชื้อไข้มาลาเรียมาไปไปต่างประเทศครั้งที่แล้วเนี่ยไปได้ข่าวว่าพระรูปหนึ่งเขาบอกท่านเป็นธรรมทูตเหมือนกันเป็นธรรมทูตไปรรตพแพร่ต่างประเทศ ทีนี้เคยไปทุดดงอยู่ป่าแห่งหนึ่งต่างประเทศอีกเหมือนกันโอ้แต่เจอไข้มาลาเรียรชนิดโหดร้ายบอกว่าตอนนี้ปวดหัวจัดมากเหมือนกันเพราะฉะนั้ น, นไม่รู้ว่ามันขึ้นสมองไปหรื อ, อยังไม่ทราบแต่ขึ้นสมองไปแล้วก็หมดเลยนะก็กลายเป็นว่าอะไรนะถ้าเป็นรถยนต์ก็เอาทรายเนี่าายใส่ลงไปในเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะรถมันจะเป็นยังไงนะคนที่ไข้ามาลาเรียขึ้นสมองเนี้มันก็ยากจิตใจที่จะปกติแล้วก็คืนได้ดั่งเดิมนี่ก็ถือว่ายากพอสมควร ท่านก็ยา ก, ก็หายากคุณธรรมก็ไม่ได้ติดไข้มาลาเรียมาต่างหาก